อย่างเราเรียนวิชาทางอื่นนะก็หว <c oughs> ังจะหาความสุขนะแต่หาอ้อมอ้คนศึกษาเพจะหางานดีๆทํากล่ว่ามีงานดีๆแล้วจะมีความสุขเนะี่ยมีชื่อเสียงมีตําแหน่งใหญ่ๆจะมีความสุขที่จริงต้องการความสุขนะแต่หาอ้อมอนะ้อมนะไคิดว่าถ้ามีอย่างโน้นจะสุขอยากมีอย่างเนี้จะสุขจริงศาสนา พ, พุทธเนี่ยสอนเราให้เรามีความสุขได้กับตัวเองหนะึ่งอยู่ในปัจจุบันนั้นะมีความสุขที่สุดเลย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 ตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วตายอีกนะธรรมะก็ไม่ได้หนีไปจากเรานี่เราเที่ยวแสวงหาธรรมะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน <H an> ไมาหาไปเรื่อยๆเท่าไหร่ก็ไม่เจอนี่จริงธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองธรรมะอยู่ที่กายนก็กายเป็นธรรมะเรียกว่ารูปปัรตม์ธรรมะอยู่ที่จิตใจจิตใจเราเป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมนี่หาธรรมะก็หาเข้ามาที่กายที่ใจตัวเองนี่พอเข้าใจใกายเข้าใจใจตัวเองแจ่มแจ้ง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 ถ้าเรารู้จักเหตุให้ทำสติเกิดได้นะสติเกิดบ่อยๆเกิดเองโดยไม่ต้องเชือ้อเชิญให้เกิดเกิดเองเราก็รู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้าก็เห็นความจริงของกายของใจสติเป็นตัวไปรู้สภาวะนะรู้กายรู้ใจใกายใจเป็นตัวสภาวะธรรมเป็นตัวเนื้อของตัวธรรมะนะของจริงสติรู้กายรู้ใจนะปัญญาเข้าใจปัญญานี่ยจะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ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 อริยสัจเป็นธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดมีแต่พระอราหารันต์ถึงจะเห็นอริยสัจเห็นแจ้งอริยสัจเป็นธรรมะที่อจจัศจรรย์เนีย่ยพวกเราหลวงพ่อตอนเด็กๆ เ, เรียนวิชาศิลธรรมสมัมยโบราณมีนะวิชาศิลธรมรมเดี๋ยวนี้ไม่มีวิชานี้มั้งวิชาศิลธรรมสอนหน้าอริยสัจสี่เรียนได้แต่เด็กๆ เ, เ, เลยท่องได้จำมาไว้นะไปสอบได้ นึกว่าเรารู้นะธรรมะมันก็รู้เหมือนเด็กนะ่รู้แบบจำจำไหมนัม่นบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อะไรเงี้ยอยากได้แล้วไม่ได้เป็นทุกข์เจอสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์อะไรเงี้ยโดยย่อโดยสรุปขันห้าเป็นทุกข์ตรงนี้ตอนเด็กๆไม่เรียนนะไม่มีการเรียนโดยย่อว่าโดยย่อโดยสรุปขันห้าคือตสวดทุกข์อันนี้ไม่ได้ให้เด็กเรียน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 เราก็ยังนึกว่าเราเข้าใจธรรมะนะนึกว่าเข้าใจปฏิบัติไปนานหลายปีฝึกไปเรื่อยใจลึกๆมันก็จะรู้สึกอยู่ตลอด เ, ลเราไม่เข้าใจอริยสัจตราบใดที่ใจยังไม่เข้าใจอริยสัจใจจะค้นคว้าดิน้นรนไม่เลิกหรอกจะค้นคว้าหาทางค้นทุกไปเรื่อยเป็นมันแจ่มแจ้งอริยสัจขันห้าเป็นทุกข์อศัศจรรย์ที่สุดเลยทาไมเรียน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 สันติสุขก็คือนิพพานนั่นเองหรือนิโรธการที่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งมันจะละสมุทัยละตัณหาได้จิตใจหมดความดิ้นรนเข้าถึงสันติสุขที่เรียกว่านิโรดนิพพานไม่น่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าค้นพบทางคนทุกข์อย่างนี้ได้ยังไงอัศจรรย์ที่สุดเลยคนในโลกไม่ค้นพบทางนี้นะที่ยวหาความสุขไปเรื่อย บางคนคิดว่าเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขได้งานดีๆจะมีความสุขมีตำแหน่งใหญ่ๆมีเงินเยอะๆมีอำนาจมากๆจะมีความสุขมีเมียสวยๆจะมีความสุขมีลูกไร้ๆจะมีความสุขจนแก่แล้ววันไหนสุขภาพดีจะมีความสุขไม่สบายเจ็บหนักใกล้จะตายทุรนทุรายถ้าตายจะได้คงยังมีความสุขดูหาความสุขกันตลอดเลยนะแล้วหาไม่เจอ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 ส่วนบางคนเข้าวัดหัดภาวนาทำสมถะ ม, มีความสุขด้วยตัวเองได้เป็นความสุขจากการควบคุมจิตใจของตัวเองได้แต่ควบคุมได้ก็ชั่วคราว<ม>เข้าฌานได้ทำสมาธิได้ก็มีความสุขอยู่ช่วเวลาที่เข้าฌานอยู่ออกมาก็ความสุขนั้นหายไปอีกละความสุขันนี้เลยยังไม่ยั่งยืนไม่เหมือนการทำมิปัสสนาจนรู้ความจริงของกายของใจปล่อยวางได้จิตใจเข้าถึงความสุขที่ยั่งยืน หาอะไรมีความสุขเท่านี้ไม่มีความสุขอย่างโลกโลกหลวงพ่อก็ผ่านมาเยอะนะผ่านมาเยอะความสุขทางธรรมก็ตะเกียกตะกายนะลาบากล้มลุ ก, ล, กลุกคาลานว่าจะเข้าใจอะไรแต่ละรั้งแต่ละฟังนะหลวงพ่อโง่นะไม่ฉลาดใดดอกอาศัยลูกอึดเ น, นะนี่ยทนทนไหมคนก้าไม่เลิกเรียกว่ากัดไม่ปล่อยนะกัดติดไม่ปล่อย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 เราผิดลองถูกล้มลุกคลุกคลานนะกว่าจะสบายได้แต่ละคนล้มลุกคลุกคลานทุกคนหน่อนะไม่มีหรอกอยู่ๆลอยฟ้ามาสบายไม่มีนะธรรมะต้องทำออกนะต้องแรกเอาลำบากถ้าไม่รู้หลักก็ลำบากมากถ้ารู้หลักก็สบายหน่อยอย่างพระพุทธเจ้าลำบากนานเสียสงไขแสนมหากรัมไม่มีใครสอนของเรา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 ลงมือปฏิบตัติล้มลุกลุกลครานลองผิดลองถูกนะถ้าไม่ศึกษาให้ดีก็ลองผิดไปเยอะหน่อยบางคนผิดแล้วแก้ตัวไม่ทันชาตินี้แก้ตัวไม่ทันก็มีหลวาพไอเเจอนะตอนตั้งวัดใหม่ๆมีคุณป้าคนหนึ่งต้องเรียกคุณยายนะอายุแปดสิบเจ็ดคุณยายนี้ทำสมาธิมันหลายสิบปีหกสิบกว่าปีติดนิ่งอยู่ตลอดเลย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 ตั้แต่เช้าเลยเที่ยงนะย่แปลงปันเสร็จอยานลำบากนะลาบากมากเลยถ้านําไม่ได้ศึกษาถ้าเาศึกษาถ้าล้วจะง่ายนี่ธรรมะก็มีเยอะอีกจะศึกษาอะไรอยากเรียนย่อๆก็เรียนลงมาที่กายกับใจตัวเองเรียนย่อๆเลยนะอยากเรียนให้เยอะๆก็ไปเรียนสัพพิธรรมให้จบก้าวปริเชตเรียนจบแล้วก็เออเข้าใจธรรมะเยอะเลย แต่ยังไม่เห็นสภาวะนะต้องกลับมาหัดมารู้กายรู้ใจใหม่ก็ดีเหมือนกันรักษ า, าศาสนาไว้ในภัคทิสดีวันนี้ใครจะส่งกันบ้านแม่เมย์ส่งก่อนนั่งหน้าอะไรนะความสุขที่แท้จริงอ๋อความสุขที่แท้จริงไม่มี อนั้นมันก็จะมีพวกนั่งตั๋วตลอดมาืมื่อสองสมันนี้ในขณะที่จะลัดูทรในตัวตลอดเวลาที่ชาวพนกก็เป็นชาวในัวที่มหัดจัดการแล้วก็เป็นสุกที่ไม่มีขอเขตตุมากแต่ในขณะที่กำลังมูอยู่เนี่ยมันเกิดเช่งพราะแช่งก็เลยคิดว่าอ่างั้นก็เอาจิตไปดูแลกลับ แต่ก็เกิดความคิดว่ามีความสุขที่ไม่มีขอบจขตเผื่ที่สดนั้นก็ยังดั่ น, นั้นตอนนี้ก็ได้เห็นที่เคยเองนะว่าไม่มีค่ะไม่มีความสุขนะระับใดที่ยังเป็นโลกอยู่ระดับใดยังเป็นสังขารอยู่นะไม่มีความสุขที่แท้จริงนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยแต่ความสุขที่แท้จริงมีอยู่นะมีอยู่ ถ้าเราสิตเรารู้จริงนะกายนี้ใจนี้ทุกร้อนร้วนรู้อย่างทราบซึ้นถึงใจไม่ใช่น้อมใจเชื่อด้วยนะรู้อย่างเข้าไปเป็นจักจริงๆแล้วใจวางวางแล้วเราจะไปพบความสุขที่แท้จริงมีคือนิพพานนั่นเองนิพพานเป็ความสุขที่แท้จริงอันเดียวเลยอันอื่นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกเป็นของดวงตาภาพดวงตา งั้นให้เรารู้ลงมาที่กายที่ใจนี่นะเพราะว่าเราไปยึดถือกายยึดถือใจเราไปติดอยู่ที่กายที่ใจเราไปติดอยู่ที่ของปรุงแต่งอ่ะเราก็เลยไม่เห็นนิพพานซึ่งไม่ปรุงแต่งงั้นให้รู้ลงไปเรื่อยๆนะกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์รู้ไปเรื่อยๆรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นนะไม่เมย์อย่าไปเข้าไปคลุกกับมันะใจของเราไม่เป็นกลางรู้สึกไหมใจของเราไม่เป็นกลางนะต้องรู้ด้วยใจที่เป็นกลางแล้วมันถึงจะหลุดออกไปได้ ถูกแต่ว่าอย่าให้ใจเข้าไปเกาะความทุกข์ไว้เราดูอยู่ห่างๆนะดูกายดูใจเหมือนดูคนอื่นนะอ๋อมันทุกข์ล้วนๆแต่เราไม่ได้ทุกข์ด้วยนะเออมันทุกข์ล้วนๆเลยกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเพราเป็นเห็นแจ้งที่มนจะปล่อยวางควิงตัทุกข์จริงๆก็ไม่ได้เห็นแต่เห็นได้จากปฏิบัติแบบนี้นะคะถ้าไม่ปฏิบัติไม่เห็นทุกหรอกนะ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 เนะตอนนี้ปกครองไหมอนนอเออตอนนี้ยระครองไว้นะดูทั น, นสมาธิหลังๆนี่ยันใหญ่กันได้สมาธิมันนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ก็เดินเอาก็เดิน<ม>เดินห ม, มนแรงคำว่าสมาธิของอ้อคืออะไรคือมตะไร่อยนั่งพักเหลือพักก็คือสมาธิเนี่ยถ้าต้องการพักผ่อนนะใหญ่อยากสงบถ้าอยากสงบยังไม่สงบหรอกนี่เป็นเคล็ดลับนะ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 ทำกรรมาฐานอันหนึ่งปกติใจเราชอบหนีผิดเที่ยวดิ้นไปดิ้นมาจับอารมณ์น้นทีหนึ่งจับอารมณ์นี้ทีหนึ่งอยากจะให้มันสงบก็มาจับอารมณ์อันเดียวเช่นมาจับพุโทโธพุธโทโธมาดูลมหายใจมาดูท้องฟองยุบนะมาขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ะอะไรก็ได้ให้ใจน้อมไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวน้อมไปแล้วก็อย่าอยากให้สงบนะถ้าอยากให้สงบมีความอยากเกิดขึ้น่ยจิตใจเล่าร้อน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 นั้นขั้นแรกเลยนะทําตัวให้ผ่อนคลายก่อนสมมตมันยุ่งกับโลกมากเลยไม่ยอมสงบฟุ้งเต็มที่นะก็หากิจกรรมอะไรที่เป็นกุศ ล, ลมาทำยังไม่ต้องเป็นนั่งทีเดียวนั่งไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะยกตัวอย่างเช่นเราไปเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเงี้ยนะบางวัดเขามีวังมัดฉาอะไรเงี้ยไปซื้ออาหารให้ปลากินปลามากินแล้วก็มีความสุขเนี่ยจะมีความสุขเราทําสมาธิง่าย อ อ, อย่างนั้นอ่านแล้วมีความสุขเลยแล้วนะพอมีความสุขมันก็สงบนะบางคนเคยคิดว่าสมาธิทําให้เกิดความสุขไม่ใช่นะความสุขทําให้เกิดสมาธิเพราะว่าสมาธิพอมากเข้ามากเข้ามันเลยสุขไปสมาธิทําให้เกิดปัญญาสมาธิไม่ได้เกิดทําให้เกิดความสุขไม่เมใจลอยทราบไหมอากสงกันบ้านไหม อะไรนะจิตตอนนี้เป็นยังไงจิตขณะนี้ถ้าปกครองไปได้รู้ทันดีแล้วอะนี่ล่ะอย่าไปแก้มันนะปกครองเราก็รู้ว่าปกครองดูไปดูเหมือนดูผนอื่นปกคองแล้วใจสบายถ้าใจสบายมันก็จะหลุดจากการปกรครองนะง่ายเออตับถูกนะตับถูกแนละ้วสองอย่างเลยโมมัวแล้วตนะื่นเต้นดีและดีแล้ ว, ล ว, ลวที่รู้ ก็อย่าให้ใจมันฟุ้งซ่านไปนะใจฟุ้งซ่านเกินไปนิดหนึ่งดวออกไหมนะให้ดูลงไปคือสภาวะของจิตใจแต่ละคนเป็นยังไงหลวงพ่อไม่ว่านะจิตใจจะฟุ้งซ่านก็ได้จิตใจจะหดหู่ก็ได้จิตใจจะมัวมั ว, มวก็ได้ไม่ว่าเลยขับเดี่ยวขอให้รู้เท่านั้นแหละจิตเป็นา ก, กุศลรั่วเป็นอ ก, กุศลเท่า น, นี้ก็ดีแล้วในสุดก็จะเห็นเลยจิตที่เป็นอ ก, กุศลเกิดแล้วก็ดับะจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับ จิตทุกชนิดเกิดแล้วดับหมดเลยในสุดก็จะรู้ความจริงทุกอย่างไม่เที่ยงนะทุกอย่างบังคับไม่ได้ปัญญามันเกิดใจมันฟุ้งซ่านนะดูไปให้รู้ทันโยเป็นไงโยโเออมีโมหนะเนาะสมพงมาไหมวันนี้สมพงมมนนไปประของแล้วโยอของคุณอะไปิอยู่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 ความหลงหลงมีหกแบบนะหลงไปทางตาหลงไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหลงที่มีมากที่สุดคือหลงทางใจหลงทางใจที่มากที่สุดเลยก็คือเป็นหลงคิดนี่เพราะฉะนั้นถ้าหักใจเราไหลไปคิดคุณรู้ทันใจไหลไปคิดคุณรู้ทันนะคุณทํากรรมฐานได้แทบทั้งวันละหลงไปทางตาหลงไปทางหูเนี่ยเล็กน้อยชั่วขณะเดียวอย่างเราไปเหม่อเมอมองใครสักคนนะเราเผลอไปดูเขาปุ๊บเราเห็นหน้าเขาแวบเดียวเนี่ย นะขนาดนั้นเราไปไปดูเขาถัดจากนั้นเราจะเริ่มคิดล่ะจะไปหลงคิดเรื่องของเขาบ้างเรื่องอื่นๆบ้างเช่นเห็นหน้าคนนี้คล้ายๆเพื่อนเราคนหนึ่งล้วคิดถึงเพื่อนนั้นเพนะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันว่าใจหลงไปคิดใจจะตื่นขึ้นมาห้ามไม่ได้นะไม่ได้ฝึกห้ามดูออกไม้ห้ามไม่ได้ดูออกไมมใจทำงานทั้งวัน อ, อย่าออกสิรู้อย่างที่มันเป็น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 พอใจเริ่มติ่นแตก็หลุดหมดเลยอพอเวลามองตามคดนดมันจะออกเป็นตัวอมองาแๆแอเพ่งเข้าไปเข้ามันก็กลายเป็น า, ยนาอย่าไปจงใจเพ่งใส่มันทีแรกความคิดเนี่ยมันมีกระบวนการเกิดของมันนะทีแรกมันมีคลื่นขึ้นมาก่อนมีคลื่นไหวขึ้นมานะเสร็จแล้วสัญญาเข้าไปกระทบถึงจะแปลออกมาเป็นคำพูดได้แต่ได้คิดเรื่องอะไรเรื่องอะไรไปหมายลงไปก่อน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 เสติก็ไม่ใช่ของที่สั่งให้เกิดได้เนี่ยจิตหนีไปแล้วทราบไหม mm hmm. นะให้คอยรู้สภาวะรู้ไปอ้าวคุณนี่ล่ะเป็นไงบ้าง mm hmm. อ้าเกรงตับถูก mm hmm. เิดใช่ได้ใชได้อยู่บ้านเป็นไหม mm hmm. นี่เป็นโรคประจำวัดนี้ mm hmm. ใครมาวัดนี่ก็เกรงเกงนะแล้วก็ยังทนมานะ mm hmm. ม, นมานะเครียดจะตายไปโดนหลวงพ่อไล่ เครียที่จริงมาเรียนกับหลวงพอ่อไม่ต้องกังวลใจให้รู้สภาวะที่กําลังปรากฏนะ่ะหัดรู้สภาวะเรียนเรื่องเดียวไม่ใช่เรียนเรื่องอื่นหรอกหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆในที่สุดมันจะเข้าใจอะ่ะนะพสติมันลารึขึ้นมาเองนะพอเราหัดรู้สภาวะมากเข้ามากเข้าเนี่ยพอสภาวะเกิดนี่สติจะเกิดเองพอสติเกิดเองแล้วทา น, นี้ต่อไปปัญญามันเกิดเชอรี่เชรี เออกลัวง่ายไม่กัดหยุดพักก่อน